ภาคเรือนชั้นนอก 1. แบบแปลนข้อความที่กล่าวในภาคเรือนชั้นในเป็นปัญหาในตัวบุคคลแต่ละคนที่จะประกอบกันเป็นเย่าเป็นเรือนคือพูดถึงเนื้อแท้ทางคุณสมบัติในตัวคนเท่านั้นจะเปรียบเทียบกับตำราปลูกบ้านเรือนทั่วไปความในตอนเรือนชั้นในที่ผ่านมาแล้วก็เพียงแต่อธิบายลักษณะของวัสดุที่จะนํามาก่อสร้างบอกให้รู้ว่าเป็นอิฐหินปูนทรายไม้เหล็กอย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดีอย่างไหนทนทานอย่างไหนหักง่ายแล้วก็บอกที่จะสังเกตเลือกคัดไว้ซึ่งท่านผู้อ่านก็ได้ผ่านมาแล้วการปลูกบ้านปลูกเรือนเพียงแต่รู้จักเลือกเครื่องก่อสร้างเท่านั้ น, น, นยังไม่พองานสำคัญยังมีอยู่อีกชั้นหนึ่งคือเรื่องแบบแปล น, นเราจะเอาแบบไหนทรงอะไรปลูกเป็นกี่ชั้นกี่ห้องเจาะประตูหน้าต่างตรงไหนต้องคิดวางรูปแบบไว้ในใจก่อน แล้วค่อยลงมือปลูกสมัยนี้เขาต้องถึงกับเขียนรูปแบบบ้านที่จะปลูกลงในแผ่นกระดาษเสียก่อนที่เราเรียกว่าแบบแปลนก็คือรูปแบบอาคารบ้านเรือนที่จะปลูกนั่นเองแต่ย่อส่วนลงเขียนไว้ในแผ่นกระดาษการที่วิชาออกแบบแปลนเจริญอย่างในสมัยนี้เป็นผลดีหลายอย่างประการแรกก็คือเป็นหลักตกลงกันในระหว่างคนอยู่กับในช่างกะราคากันก็ถูก เวลาทําก็ตัดปัญหาขัดแย้งกันต่างคนต่างยึดแบบเป็นหลักเจ้าของบ้านก็ได้บ้านที่ถูกใจสมกับคำสั่งเสียของปู่ย่าตายายที่ว่าให้ปลูกเรือนตามใจคนอยู่ให้แขวนอู่ตามใจคนนอนถูกใจเสียแล้วเสร็จเรื่องเว้นแต่คนที่อยู่เอาใจยากมีเหมือนกันทั้งๆ ท, ง ท, งที่ตกลงกันตามแบบแปลนแล้วก็ไม่วายต่อโน่นเติมนี้จนช่างทนไม่ไหวแต่ถึงจะเป็นคนขี้ติอย่างไร การมีแบบแปลนไว้ก็มีประโยชน์มากประการที่สองแบบแปลนมีประโยชน์ในทางป้องกันคนขี้บน่นตามปกติเวลาปลูกบ้านมันมีเจ้าของบ้านอยู่สองคนที่ว่าให้ปลูกตามใจคนอยู่นั้นเอาเข้าจริงคนอยู่เกิดมีสองคนแล้วจะตามใจใครคนอยู่ทะเลาะ ก, กับนายช่างนะ่ะไม่เท่าไหร่อย่างไรเสียช่างก็ต้องยอมอยู่วันยังค่ำไม่ยอมทําก็ต้องยอมทิ้งแต่คนอยู่กับคนอยู่ทะเลาะ ก, กันเองสิ เวียนหัวจริงๆผัวสั่งทาไปจนกระทั่งมุ่งหลังคาแล้วเมียจึงบอกว่าบ้านมันเตี้ยหายใจหายคอไม่ออกผัวสั่งตีฝากั้นห้องติดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วเมียเกิดบ่นว่าห้องหับมันแคบอย่างกะจะให้แมวนอนหลีกกันไม่พ้นส่วนมากช่างติมักจะเป็นอย่างนี้คือติเมื่อมันเสร็จแล้วกวนโมโหจริงๆการที่มีแปลนแผนผังล่วงหน้าเป็นวิเศษนักกางออก ดูกันให้แน่ๆเสียก่อนจติก็เชิญติในแผ่นกระดาษยังแก้ได้แบบแปลนจึงตัดปัญหาเกี่ยวกับช่างติไปได้เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นการจะคิดปลูกบ้านเรือนให้เรียบร้อยนอกจากจะรู้จักเลือกเครื่องก่อสร้างให้เป็นแล้วต้องเข้าใจวางแบบแปลนด้วยอย่างน้อยวางแบบเองไม่เป็นก็ต้องรู้จักพึ่งความรู้ของคนอื่นทาสมส่มหไม่ได้จะเข้าตาราที่ว่าปลูกเรือนผิด คิดจนเรือนทลายคนที่ตกลงปรงใจอยู่กินเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วจะตั้งครอบครัวต่อไปก็เหมือนกันเหมือนกับปลูกเรือนนั่นแหละจะต้องคิดอ่านก่อสร้างตัวให้ครอบครัวเย่าเรือนมีฝั่งมีฝาเป็นของแน่เหลือเกินที่ทุกคนจะต้องคิดแต่งงานแล้วจะมัวหวังพึ่งกองสีอยู่ร่ำไปไม่ถูกแน่เอาเถอะถึงใครจะโชคดีได้อยู่กินในกองสี หรือแถมมีแม่ยายคอยรับเลี้ยงหลานด้วยนั่นก็เป็นเพียงโชควิเศษชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นจะไม่คิดสร้างครอบครัวเสียเลยไม่ได้เพราะตอนแรกลูกเราก็เป็นหลานยายผิดถูกยายกับหลานทะเลาะ ก, กันก็ไม่ไกลนักแต่ครั้นนานเข้าไหนจะหลานยา่าไหนจะหลานยายตั้งแต่นี้ไปแหละจะอยู่ยากหลานย่า ก, กับหลานยายตีกันเมื่อไหร่การภายในบ้านก็ต้อง แยกเป็นสองกก ส, สามกกคือผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่นั่นแหละจะเกิดโต้คารมกันโต้กันหนักเข้ามันก็ตึงตึงมากๆเข้ามันก็แตกลงได้แตกแล้วใครไม่มีแผนเตรียมตัวไว้ก่อนก็มีหวังตายเพียงแต่บ้านเรือนเอาไม้ไร่อิดปูนมาตอกมาตียึดกันเข้ามันเป็นของไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีจริตจกร้านอะไรเลยเขายังต้องออกแบบเขียนแปน คนอื่นเขียนให้ตั้งช่างตั้งร้อยว่ากันเป็นพันเป็นเหมือนก็มีการสร้างครอบครัวเรายิ่งจะต้องคิดการให้ลึกซึ้งกว่านั้นมากเพราะครอบครัวมันไม่เหมือนบ้านเรือนบ้านเรือนประกอบขึ้นด้วยของไม่มีใจจ ะ, มะโมโหโทโสไม่มีปากจะบ่นจะว่าแต่ครอบครัวมันประกอบขึ้นด้วยคนคนก็เป็นคนเป็นๆ เ, เสียด้วยใจก็มีปากก็มีไม่ระวังไม่ได้ที่โบราณท่านว่า ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายนั้นความจริงท่านว่าไว้สำหรับคนเงินน้อยถ้าคนถุงเงินหนักหักเขาก็ไม่ต้องคอยให้เรือนทลายไม่ถูกใจก็รื้อทิ้งแล้วปลูกขึ้นใหม่แต่ครอบครัวสิลำบากแน่จะรื้อก็รื้อไม่ลงไหนจะลูกไหนจะตัวผลที่สุดก็ต้องทนทุกข์รอวันตายพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าทุราวากาฆราทุก ข, ขาครอบครัวที่ครองไม่ดีมีแต่จะนา ความทุกข์ทรมานมาให้ดังนั้นทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดก็คือออกแบบครอบครัวของเราเองเสียให้ดีตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวนายช่างเขาเขียนแบบก่อนลงมือก่อสร้างเราก็เขียนแบบก่อนตั้งครอบครัวจะเป็นการดีมากแต่คําว่าแบบหรือแปลนเป็นคําที่เราใช้กับงานก่อสร้างเท่านั้นที่เราจะพูดกันนี้เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการจัดทําน่าจะใช้คําว่าแผนหรือแผนการ จะเข้าทีดีที่ว่าวางแบบครอบครัวก็คือวางแผนการครองเรือนนั่นเองหมายความว่าเราจะตั้งครอบครัวมีฝั่งมีฝามีเย่ามีเรือนเราจะต้องกัดแผนไว้ให้ดีแผนการครองเรือนอาจมีผู้คิดได้หลายอย่างว่าจะต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างเช่นคิดถึงการเจ็บป่วยคิดถึงรายได้รายจ่ายคิดถึงการเล่าเรียนของเด็กๆและคิดถึงสิ่งจําเป็นอื่นๆ อ, อ, อีก การครองเรือนจําเป็นจะต้องมีอะไรบ้างคนครองเรือนรู้อยู่เต็มใจทุกคนก็ว่าได้แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือไปรู้เอาเมื่อมันถึงคราวจําเป็นแล้วทําอะไรไม่ทันแก้ไม่หลุดเข้าทํานองที่ว่าจะขี้จึงหาขอนจะนอนจึงหาเสือขอโทษด้วยเป็นสี่อย่างนี้เป็นส่วนมากหนุ่มสาวนั้นเมื่อเวลากําลังรักกันมีความต้องการอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือต้องการคนที่ตัวรัก ใจคอจริงๆดูเหมือนว่าถ้าได้แต่งงานกับคนที่ตัวรักแล้วก็จะหมดความต้องการไม่อยากได้อะไรอีกแล้วในโลกนี้แต่ครั้นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมั่นหมายว่าจะให้เราเข้าสู่พิธีสมรสกันแน่นอนจนรับมัน่นก็เกิดความรู้สึกว่าความต้องการเดิมซึ่งมีเพียงอย่างเดียวคือคนรักนั้นได้แปลไปเป็นหลายสิ่งหลายอย่างไอ้นอนก็จะต้องมีไอ้นี่ก็จะต้องหา ยิ่งวันแต่งงานใกล้เข้ามาเท่าไรความต้องการยิ่งจะมาออกกันอยู่รอบข้างวิ่งเต้นจนหน้าเป็นมันก็ยังไม่ทันกับความต้องการมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใครยังไม่เคยก็คอยดูแล้วคอยดูต่อไปอีกหน่อยพอเข้าสู่พิธีสมรสเสร็จแล้วคุณจึงจะรู้ว่าความต้องการมันได้ขยายออกไปอีกอย่างมากมายจนบอกไม่ถูกจนนับไม่ถ้วนนี่แหละภาระของคนครองเรือน สารพัดความต้องการของมันงอกออกมาจากความรักสิ่งเดียวนั่นเองมเมล็ดมะขา ม, มเมล็ดเดียวที่เด็กๆชอบหยิบโยนเล่นกันนั้นถ้าเราให้น้ําให้ปุ๋ยมันก็จะงอกออกมาเป็นต้นมะขามนานเข้าก็เกินแรงคนที่จะหยิบยกยโยก ย, ย้ายต้องใช้รถบรรทุกจึงจะขึ้นได้ความรักก็เหมือนกันเมื่อริรักก็ไม่มีอะไรนักหนาขอความรักกันก็ได้เท่ากับมเมล็ดมะขา ม, มเมล็ดเดียวเท่านั้นเอง แต่ถ้าใครไปเอาจริงกับความรักเกิดไปรดน้ําพรวนดินเข้าพอรักงอกแล้วสิความต้องการต่างๆจึงจะตามมาถ้าจะสรุปเรื่องระหว่างความรักกับความต้องการก็พอจะได้ว่าเมื่อเริ่มรักในโลกนี้เราต้องการอย่างเดียวคือคนรักเมื่อมั่นแล้วรู้สึกว่ามีหลายสิ่งในโลกที่เราต้องการแต่งงานเสร็จชักสงสัยว่าโลกนี้จะยังพอมีสิ่งที่เราต้องการครบหรือไม่ รวมความว่าคนมีย่ามยมเรือนแล้วรู้ทุกคนว่าการครองเรือนจําเป็นจะต้องมีอะไรบ้างแต่น่สจได้อยู่นิดหนึ่งคือไปรู้ว่ามันจําเป็นต่อเมื่อถึงคราวจําเป็นแล้วเอาขันหมากมั่นเป็นครูเอาขันหมากแต่งเป็นอาจารย์ก็เลยแก้ไขเหตุการณ์ไม่ค่อยทันหรือไม่ก็แก้อย่างไม่มีแผนจับโน่นชนนี่ไม่เท่าไหร่ก็ยุ่งเหยิงจนแก้ไม่ไหวฉะนั้นทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด หนุ่มสาวควรจะได้คำนึงถึงแผนการครองเรือนล่วงหน้าไว้บ้างในการติดต่อสนทนากันกันกบคนรักแทนที่จะเคลิบเคลิ้มไปกับคำพรอดรักของพ่อหนุ่มข้างสาวก็ควรจะลองซักไซดูบ้างว่าเมื่อเราอยู่กินเป็นย้าวเป็นเรือนแล้วทูนหัวจะมีแผนคิดอ่านทำมาหากินอย่างไรอย่าลืมว่าคําว่ารักรักรักนั้นเป็นเพียงคํำฉลองใจของอีกฝ่ายพอให้ชุ่มชื่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น คำพรอดรักนั้นถ้าจะเปรียบก็เหมือนดอกกุหลาบงามมีค่าเพียงสิ่งเชยชมให้เกิดความสดชื่นเท่านั้นดอกกุหลาบไม่ใช่อาหารที่จะทำให้ใครๆมีชีวิตอยู่ได้ยอดกระถินข้างบ้านและตำลึงแถบรัว้วนอนต่างหากที่สามารถรักษาชีวิตคนได้หนุ่มสาวที่หลงไหลใฝ่ฝันอยู่แต่คำว่ารักไม่ได้คิดอ่านที่จะดาเนินการครอบครัวก็ไม่ผิดอะไรกับคนหลงฝากชีวิตไว้กับดอกกุหลาบงามๆในใจกัน ไม่คิดถึงยอดกระถินใบตำลึงทางหลังบ้านเสียบ้างเลยแผนการก่อนที่ผมจะเสนอแผนการครองเรือนแก่ท่านผู้อ่านผมรู้สึกว่าเป็นความจําเป็นที่จะต้องกล่าวท้าวถึงพระพุทธเจ้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อยพระพุทธเจ้าได้รับการสรนเสริญพระคุณจากมหาชนอยู่อย่างหนึ่งว่าทรงเป็นโลกวิทูหมายความว่าทรงรู้จักโลกเป็นอย่างดี ที่ว่ารู้จักโลกหมายความว่าทรงรู้เรื่องของชาวโลกอย่างทะลุปุโปร่งคือทรงรู้ว่าชาวโลกเขาต้องการอะไรและทรงรู้ว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะดารงอยู่ในโลกโดยผาสุขเหตุที่พระองค์จักทรงทราบเรื่องราวของชาวโลกได้ดีนั้นแม้จะตัดเหตุผลทางพระพุทธญาณออกเสียเอาแต่เหตุผลอย่างธรรมดาธรรมดาพระองค์ก็ทรงได้เปรียบาศาสดาอื่นๆอยู่หลายประตูทีเดียวเช่น 1. ก่อนทรงผนวดพระพุทธเจ้าก็ได้รับการศึกษาวิชาการทั้งโลกเป็นอย่างดีที่สุดในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นโอรสแห่งกษัตริย์เฉพาะอย่างยิ่งวิชาการปกครองเศรษฐกิจการทหารคงจะได้ทรงสนพระไทยเป็นพิเศษเพราะพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารเตรียมครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาอยู่แล้ว งานทางด้านการศึกษานี้ย่อมจะทําให้พระองค์ทรงรู้แจ้งปัญหาทางโลกมีใช่น้อยและเมื่อเทียบกับชีวประวัติของพระศ า, าสดาอื่นๆแล้วพระองค์ทรงได้เปรียบทางการศึกษามากทีเดียวที่เห็นได้ง่ายเช่นพระศ า, าสดาโมหมัดแห่งศาสนา i สลามชะตากรรมทําให้พระองค์ไม่ได้รับการศึกษาเลยท่านอ่านหนังสือไม่ออกจนตลอดชนชีพและพระศ า, าสดาเยซูแห่งศาสนาคริสต ได้รับการศึกษาจากพระในศาสนายิวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 2. การที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติในราชตระกูลซึ่งเป็นจุดรวมทางการปกครองในสมัยนั้นทำให้พระองค์ได้ทรงศึกษาเรื่องราวต่างๆมากทีเดียวซึ่งแน่ละ่ะเรื่องเหล่านั้นก็จะต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ความสุขของอาณาประชาราชและอัตคดีข้อพิพาทต่างๆรวมทั้งการทำมาหากิน พระองค์เป็นาศาสดาองค์เดียวของโลกที่เกิดในราชตระกูลและได้ทรงศึกษาปัญหาชาวบ้านอย่างใกล้ชิดข้อนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระองค์ทรงรู้จักเรื่องของโลกอย่างโปร่ง 3. การครองเรือนพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดหลังจากทรงอภิเศกสมรสแล้วเป็นเวล า, านานถึง13ปีคือทรงอภิเศกเมื่อพระชนมายุ16พรรษาและทรงผนวดเมื่อพระชนมายุยี ทรงมีพระโอรสหนึ่งองค์จิตใจของคนมีลูกมีเมียเป็นอย่างไรบ้างพระองค์ก็ย่อมจะทรงทราบอย่างเพียงพอทีเดียว 4. พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสองชีวิตคือเดิมทรงครองชีวิตอย่างคฤเลหัสอย่างเจ้าคนนายคนครั้นภายหลังทรงสละชีวิตอย่างคฤเลหัสเสียแปลสภาพชีวิตเป็นนักบวชและเป็นนักบวชชนิดนักบวชพื้นเมืองจริงๆ คือบวชแล้วจะริกไปตามบ้านป่าเข้าดงอย่างนักบวชสามัญแทนที่จะประทับอยู่ในรั้วกำแพงทรงเข้าถึงชีวิตชนิดที่ว่านอนบนดินกินบนหญ้าแทนที่จะคอยรับสำรับเช้าปิ่นโตเพนชีวิตนักบวชชนิดนี้เป็นชีวิตที่ล ด, ดลงไปเสมอกับคนสามัญถ้าพูดอย่างในสมัยนั้นก็เรียกว่าทรงใช้ชีวิตอย่างพวกวันนสูตรซึ่งเป็นพวกมีความเป็นอยู่ฝืดเคืองที่สุด เป็นที่แน่เหลือเกินว่า6ปีที่ทรงคน้นคว้าหาทางตรัสรู้อยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงทราบชีวิตของคนชั้นทาสกรรมกรเป็นอย่างดีซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งของโลกที่เร้นลับสําหรับคนมีบุญวาสนาแต่แจ่มแจ้งเพียงพอสําหรับพระพุทธองค์ 5. พระพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาแห่งสังคมข้อนี้ก็เป็นเรื่องแปลกพระเยซูเจ้าพอทรงเป็นาศาสดาออกประกาศาศาสนา ผลปรากฏว่าสังคมชาวยิวเกิดการแตกแยกมีฝ่ายค้านฝ่ายสนับสนุนจนไม่สามารถจะรวมกันได้เลยและผลที่สุดพระเยซูก็ถูกฝ่ายอริกล่าวโทษจนถูกประหารชีวิตท่านมีเวลาเป็นพระศาสดาอยู่เพียงสปีเท่านั้นฝ่ายท่านนาบีมูฮัมมัดแห่งศาสนาอิสลามพอสถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็นศาสดาเท่านั้นสังคมแห่งชาวมักกะก็ระเบิดออกเป็นฝักเป็นฝ่าย เกิดการสู้รบกันเองอย่างยืดเยื้อเป็นเวลาแรมปีจนท่านน บ, บีมุฮัมมัดต้องออกประกาศศาสนาด้วยการรบอย่างโชกโชนแต่เราลองหันมาดูการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าดูบ้างย้อนหลังคืนไปโน่นคือก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้สังคมแห่งชาวชมพูทวีปเต็มไปด้วยรอยร้าวเต็มไปด้วยการดูหมิ่นเยยดยามและการกีดกันในระหว่างคนต่างวรรณะ เขาหันหลังให้กันและแยกทางกันเดินมานานแล้วแต่ครั้นพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาคนต่างชั้นวันณะเหล่านั้นกลับหันหน้าเข้าหากันได้คนทุกชั้นยึดพระพุทธเจ้าเป็นจุดรวมแห่งความสามัคคีในการประกาศศาสนาเป็นเวลานานถึง45ปีนั้นหลักฐานทางาาศาสนาปรากฏชัดเจนว่าพระองค์ได้รับความร่วมมือจากคนทุกชั้นนับตั้งแต่ผู้ครองเมืองลงมาจนกระทั่งยาจกวณิพกทั้งหลาย การที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ในพระศ า, าสดาแห่งมวลชนและเป็นศูนย์กลางแห่งสมคีธรรมของคนต่างชั้นวรณะตามที่ว่ามานี้ย่อมหมายความว่าพระองค์จะได้ทรงรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของมหาชนอย่างเพียงพอและอย่างสมกับที่ทรงได้รับพระนามว่าโลกวิทูโดยแท้ข้าพเจ้าตัดเหตุผลในประเด็นที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกด้วยวิสัยแห่งพระพุทธญาณออกเสียคือไม่ยกมาพูด พูดแต่เหตุผลธรรมดาที่เห็นกันง่ายๆเท่านี้เห็นได้ชัดแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระศ า, าสดาองค์เดียวในโลกที่ทรงรู้จักโลกอย่างแจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุมในการสอนศาสนา ก, ก็ทรงสอนตามเหตุผลที่ทรงรู้แจ้งนั้นพระองค์ไม่เคยทรงรับว่าจะมาคอยดนบรันรดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แก่คนที่อ้อนวอนแต่ทรงสอนให้ทุกคนดําเนินชีวิตของตนอย่างมีเหตุผลไม่ว่าใครจะสมัครอยู่ในชีวิตอย่างใด ใครอยากบวชเชิญบวชและเมื่อบวชแล้วก็ให้ดําเนินชีวิตอย่างนักบวชสมเหตุสมผลใครอยากครองชีวิตอย่างคฤหัสถ์อยากมีผัวมีเมียเชิญตามใจสมัครแต่เมื่อครองชีวิตอย่างคฤหัสถ์ก็ให้ดําเนินชีวิตอย่างแบบคฤหัสถ์สมเหตุสมผลจริงๆรวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงวางแผนดําเนินชีวิตไว้ให้แล้วทั้งชีวิตชาววัดทั้งชีวิตชาวบ้านเดี๋ยวนี้ เรากําลังพูดกันถึงเรื่องชีวิตชาวบ้านเรื่องชีวิตพระเป็นอันไม่พูดแผนการดาเนินชีวิตของชาวบ้านที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นั้นผมคิดว่าเป็นแผนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเหตุผลสองประการคือพระองค์ทรงรู้จักโลกขนาดโลกกวิทูแล้วและทรงมีพระทัยบริสุทธิ์หวังดีต่อศาสนิกร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้น ผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเสนอแผนการครองชีวิตอย่างชาวบ้านตามแบบของพระพุทธองค์ในเรือนชั้นนอกนี้เราพูดถึงหลักการเสียก่อนการครองเรือนอย่างแบบชาวพุทธเมื่อย่นย่อเอาแต่หลักการสำคัญจริงๆแล้วก็มีหลักอยู่สามอย่างที่จำเป็นต้องมีคือ 1. ความสุข 2. ศักดิ์ศรีและ 3. วงตระกูล 3อย่างนี้เป็นลักษณะของการครองเรือนที่บรรลุผลครอบครัวจะทรงตัวอยู่ได้มั่นคงเพราะสามสิ่งนี้ความสุขศักดิ์ศรีและวงค์ตระกูลถ้าชักอันใดอันหนึ่งออกเสียอีกสองอันก็ล้มทรงอยู่ไม่ได้ผู้ครองเรือนที่ประสบความผิดพลาดถึงกับล้มลุกคลุกคลานมักจะเนื่องจากถือหลักการไม่ครบส่วนมากคิดถึงแต่ความสุขครองเรือนเพื่อหาความสุขเพลิดเพลินอย่างเดียว หรือบางทีก็เพิ่มเข้าไปอีกเพียงหลักเดียวคือการสะสมทรัพย์ไว้ให้ลูกหลานไม่ได้คำนึงถึงปัญหาเรื่องศักดิ์ศรีคือคุณความดีที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของตนและเรียกร้องความเคารพนับถือจากคนอื่นเมื่อใจไม่ยึดมั่นในความดีไม่สงวนศักดิ์ศรีของตนการหาความสุขเพื่อตัวและวงตระกูลก็ไม่มีขอบเขตเอาแต่ได้เขาว่าเรื่องกินไม่เลือกแลวไม่เคยเป็นผลดีแก่ใคร ไปๆก็ตายเพราะกินทั้งนั้น 2. หลักที่หนึ่งความสุขความสุขเป็นข้อแรกที่คนต้องการไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็เพราะอยากได้สิ่งนี้คือคิดว่าถ้าเป็นแล้วมันสุขจึงยอมเป็นผู้ชายที่คิดเป็นผัวเขาก็เพราะคิดว่าไม่ได้เป็นแล้วมันจะสุขผู้หญิงก็เหมือนกันที่ตกลงปลงใจเป็นลูกเป็นเมียเขาก็เพราะคิดว่าถ้าได้เป็นแล้วมันจะมีสุข แม่หนุ่มสาวบางคู่ที่แต่งงานกันทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าแต่งงานแล้วตนจะลำบากเช่นคนฐานะดีลดตัวลงแต่งงานกับคนจนหรือลูกสาวนายไปแต่งงานกับลูกจ้างซึ่งมีตัวอย่างอยู่ถมไปเพราะอย่างนี้ก็เพราะเขามองเห็นความสุขในภายหน้าจึงได้เสียสละลงทุนทำไปเหมือนคนกระโดดลงน้ำจับเอาปลายอมกลั้นลมหายใจเพื่อจะเอาปลามาแกงกิน ให้ตัวได้มีอายุยืนต่อไปรวมความว่าความสุขเป็นเป้าหมายของผู้ครองเรือนทุกคนแล้วในชีวิตคนครองเรือนนั้นมีความสุขอยู่จริงหรือไม่ข้อ น, นี้ไม่มีปัญหาความสุขมีแน่ชีวิตมีอยู่สองแบบคือชีวิตคนครองเรือนกับชีวิตนักบวชซึ่งได้พูดไปบ้างแล้วในตอนต้นของเรือนชั้นในชีวิตครองเรือนเป็นชีวิตคู่คือควบชีวิตตนกับคนอื่นนานเข้าก็มีเรื่องพ่วง พรุงพรังส่วนชีวิตนักบวชเป็นชีวิตโสดโดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกาแต่ทั้งสองชีวิตก็มีความสุขเหมือนกันคือสุขอย่างที่จะหาได้ดีที่สุดในชีวิตแบบนั้นชีวิตคู่ก็สุขแบบคู่เดิมทีก็สุขอยู่แค่คู่ผัวตัวเมียอยู่ไปอยู่ไปก็สุขเพราะลูกหลานหลานนเข้าก็สุขเพราะหลานหลานมันสุขไปทางนี้ส่วนชีวิตโสดสุขไปอีกทางคือสุขอย่างเอกา พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้หลายแห่งว่าความสุขมีอยู่ในชีวิตทั้งสองแบบและทรงชี้แนวปฏิบัติไว้ให้อย่างพอเพียงซึ่งจะเป็นเนื้อหาของเรือนชั้นนอกนี้แต่ว่าก่อนอื่นผมคิดว่าเราดูตัวเราก่อนดีกว่าเพราะอะไรอะไรมันรวมอยู่ที่นี่ทั้งนั้นถึงจะรู้สิ่งที่จะทำให้สุขร้อยอย่างพันอย่างไม่รู้จักตัวเองเสียอย่างเดียวก็เอาความสุขเข้าตัวไม่ได้ครบสุขก็สุขไปอย่างนั้นหัวเราะก็หัวเราะทั้งน้าตา เพราะมันสุขไม่ทั่วตัวตัวคนเรานี้มันมีสิ่งที่จะคอยกินความสุขอยู่สองอย่างคือร่างกายกับจิตใจทั้งสองอย่างนี้กินความสุขเหมือนกันแต่กินต่างกันกินคนละอย่างร่างกายเป็นวัตถุธาตุสิ่งที่จะทำให้ร่างกายสุขก็มาจากพวกวัตถุเช่นข้าวปลาอาหารซึ่งเป็นธาตุประเภทเดียวกันกันกบร่างกายอันนี้ไม่สู้แปลกนะักรู้กันอยู่แล้วส่วนจิตใจสิแปลก ใจิตใจเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งเรียกตามทางศาสนาว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้ธาตุชนิดนี้จะสุขหรือทุกข์อยู่ที่เรื่องที่รู้ถ้าไปรู้สิ่งที่จะทําให้สุขก็สุขไปถ้าไปรู้สิ่งที่ทําให้ทุกข์ก็ทุกข์ไปจะสุขจะทุกข์ต่อเมื่อรู้แล้วถูกลอตเตอรี่ตั้งเดือนแล้วถ้าตัวยังไม่รู้ว่าถูกใจก็ยังไม่สุขพี่น้องตายตั้งครึ่งปีแล้ว ถ้าตัวยังไม่รู้ใจก็ยังไม่ทุกเพราะเหตุนี้การระมัดระวังความทุกข์ทางใจจึงยากกว่าระวังทุกข์ทางกายทั้งนี้ทั้งนั้นผมหมายถึงความรู้สึกสุขๆุทุกๆตามธรรมดาชาวบ้านเรานี่เองกรุณาอย่าคิดให้ลึกเกินไปเดี๋ยวนี้เรากำลังปลูกผักล้มลุกไม่ใช่ปลูกต้นสักต้นตะเคียนตกลงว่ากายกินวัตถุเป็นอาหารส่วนใจกินสิ่งที่ใจรู้เป็นอาหาร อาหารกายกับอาหารใจจึงเป็นคนละชนิดกันหรือแม้จะเป็นชนิดเดียวกันได้บ้างก็จะนับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยทีเดียวอย่างไม่ได้ด้วยเหตุนี้ของกินของใช้ที่เราหามาปลนเปลร่างกายให้เป็นสุขนั้นบางอย่างเป็นผลแก่ร่างกายจริงแต่เป็นภัยแก่จิตใจอย่าเพิ่งพูดถึงกายกับใจซึกเป็นาธาตุคนละชนิดเลยมันยังห่าง ก, กันอยู่ดูที่มันใกล้กัน ก, นกว่านั้นก็ยังได้ดูแต่ปากกับท้องก็แล้วกัน ธาตุก็อย่างเดียวกันแล้วก็ทํางานติดต่อกันอยู่เป็นประจําความต้องการยังขัดกันได้บางคนปากชอบกินพริกขี้หนูเผ็ดๆกัดปั๊บให้รู้สึกร้อนวาบถึงใบหูแล้วอร่อยนักแต่พอกลืนลงท้องไปแล้วท้องต้องเดือดร้อนบางคนกระเพาะจะพังอยู่แล้วปากยังวอนจะกินพริกอยู่อีกดูเถิดธาตุเดียวกันแท้ๆความต้องการยังต่างกันฉะนั้นคนที่ฉลาดใจแข็งและกินเป็น เขาจึงต้องรู้เรื่องปากตัวท้องตัวและผ่อนสั้นผ่อนยาวตามที่พอเหมาะพอดีไม่เหมือนคนตะกะเห็นแก่กินหลวมปากหลวมคอเป็นรับประทานทั้งนั้นพูดมาถึงตอนนี้เกิดมีเรื่องที่อยากพูดแต่มันเป็นเรื่องนอกขอแวะสักนิดเถอะถึงจะนอกเรื่องก็คงไม่ไกลเรื่องนักเพราะมันเรื่องกินเหมือนกันคือคาพังเพยที่เราว่ากันว่าคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าคนประเภทนี้เลี้ยงไม่ไหวตกไปข้างเป็นคนไม่ดีคือเราถือว่าคนเห็นแก่ปากแก่ท้องมีศัก์เท่ากันกับคนเห็นแก่กินรวมความแล้วคืองกกินด้วยกันทั้งคู่ว่ากันว่าอย่างนี้แต่ใจจริงของผมกลับคิดไปอีกอย่างหนึ่งคือคิดว่าคนสองคนนี้ตำแหน่งมันไม่เท่ากันคือถ้าว่าตามหลักบริหารร่างกายแล้วคนเห็นแก่ปากแก่ท้องนั้น ความจริงเป็นคนเห็นสองชั้นรู้ทั้งความต้องการของปากรู้ทั้งความต้องการของท้องคนอย่างนี้แม้ว่าปากจะชอบแต่ถ้าท้องสู้ไม่ไหวเขาก็อดออมเอาได้ส่วนคนเห็นแก่กินนั้นหมายความว่าถือปากเป็นใหญ่บูชาปากนโยบายบริหารร่างกายมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือกินคนประเภทนี้แหละที่เรียกว่าคนเห็นแก่กินบางคนกินเหล้าจนตับไตแข็งหมดแล้วเมียก็ขอ หมอก็ห้ามก็เลิกกินไม่ได้เพราะไม่สามารถจะเปลี่ยนนโยบายได้ซึ่งความจริงแล้วแม้จะเปลี่ยนก็ไม่ลำบากลำบนอะไรนักหนานโยบายเดิมก็ไม่ต้องเลิกเพียงแต่ว่าใช้ในโยบายเห็นแก่ปากแก่ท้องเสียเท่านั้นเองเห็นแก่กินก็คือเห็นแก่ปากอยู่แล้วเพียงแต่แถมเห็นแก่ท้องเข้าไปอีกระทงหนึ่งการบริหารร่างกายก็จะเรียบร้อยที่คิดนี้คิดโดยลาพังตัวเองคือคิดว่า คนเห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นคนดีท่านผู้อ่านอ่านแล้วจะเอาไปคิดดูบ้างก็ไม่ขัดข้องข้อสำคัญอย่าเอาไปใช้กับคนอื่นเช่นไปชมใครๆว่าเขาเป็นคนดีเนื่องจากเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนี้ไม่ได้ประเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาหาว่าเราพูดประชดกลับเข้าเรื่องเสียทีเรากำลังพูดกันถึงวิธีหาความสุขในชีวิตแบบคนครองเรือนแต่ย้อนมาดูตัวเสียก่อน เมื่อรู้ว่าคนแต่ละคนมีสิ่งที่จะกินความสุขอยู่สองสิ่งคือกายกับใจต้องสุขทั้งกายสบายทั้งใจจึงจะสุขแท้นี่คนคนหนึ่งทีนี้คนที่จะรวมกันเป็นครอบครัวก็เหมือนกันกินสุขสองทางทุกคนโดยหลักนี้เราตั้งกฎเกณฑ์ลงได้แล้วว่าผู้ครองเรือนจะต้องสร้างทั้งความสุขกายทั้งความสบายใจขึ้นในครอบครัวของตน สุขสมบูรณ์ว่าเรื่องแผนสร้างความสุขต่อไปแต่ก่อนจะว่าขอทําความเข้าใจกับลักษณะของความสมบูรณ์ก่อนคือความสุขของมันมีสองชนิดความสุขสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ความสุขสมบูรณ์ ค, คือสุขเต็มที่และสุขไม่สมบูรณ์คือสุขบกพร่องขอซ้อมความเข้าใจคาว่าเต็มก่อนที่ว่าเต็มคือครบไม่บกพร่องไม่แหวง่งที่ว่าเต็มหรือพร่อง ให้ดูที่ความสุขนั่นเองบางคนเข้าใจว่าต้องมีมากๆจึงจะเต็มแต่ความจริงแล้วเต็มกับมากมันคนละอย่างเต็มตรงกันข้ามกับพร่องส่วนมากตรงกันข้ามกับน้อยขอให้นึกดูผลไม้อย่างแตงโม ก, กับพุทราลูกมันไม่เท่ากันเนื้อมันก็มากน้อยไม่เท่ากันแต่มันก็มีเต็มเหมือนกันแตงโมเต็มลูกก็ได้พุทราเต็มลูกก็ได้ งโมถ้ามันมีจุดเสียสักเท่าหัวแม่มือเราก็ว่ามันดีไม่เต็มลูกส่วนพุธซานั้นถ้าไม่มีจุดเสียเลยเราก็ว่ามันดีหมายความว่ามันมีความเต็มของมันต่างหากความสุขของผู้ครองเรือนก็เหมือนกันมันมีจุดสมบูรณ์อยู่ทุกชั้นทุกฐานะครอบครัวชาวนาครอบครัวคนงานครอบครัวเสมียนครอบครัวพันโรงครอบครัวหัวหน้าแผนกครอบครัวหัวหน้ากอง จนกระทั่งครอบครัวรัฐมนตรีครอบครัวนายห้างแต่และชั้นแต่และขนาดของครอบครัวอาจถึงความสมบูรณ์ได้ทั้งนั้นเหมือนพุทสากับแตงโม ท, ที่ว่ามาแล้วมันเต็มลูกได้เหมือนกันและในทางตรงกันข้ามแม้ว่าครอบครัวชั้นใดขนาดใดอาจมีความสุขไม่สมบูรณ์ก็ได้ทั้งนั้นความจริงเราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วน้ำตานั้นมีอยู่ทุกลูกในตาและมันอาจไหลออกมาได้จากทุกดวงตา ไม่ว่าจะเป็นตาของเศรษฐีหรือของยาจกและไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่กระท่อมหรือคฤหาสน์บางคนเข้าใจผิดไปว่าคนเรามีความสุขสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีทรัพย์สมบัติมากๆเลยตั้งหน้าตั้งตาจะหาทรัพย์ให้ได้มากๆเมื่อหาทางตรงไม่ได้มากหรือไม่ได้ทันใจก็เลยหาทางคดคือจะเอาแต่มากขาว่าเพราะคิดว่าเมื่อทรัพย์มันมากแล้วความสุขก็จะเต็มเรื่องของเรื่องคือ เข้าใจว่ามากกับเต็มมันเหมือนกันนั่นเองแปลภาษาไทยพลาดไปนิดเดียวบ้านเมืองเลยเลอะไปด้วยน้ําตาเหม็นสาบคลุ้งไปหมดการที่คนละโมบความสุขคิดอยากจะได้แต่ความสุขเต็มและเข้าใจว่าความสุขเต็มเกิดจากทซั์มากจึงกอบโกยทรัพย์ด้วยเล่ทุจริตนั้นหากจะอุปมา ก, ก็เหมือนว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าแกงจะมีรสอร่อยเต็มที่เพราะมีแกงมาก เห็นไปว่าอร่อยกับมากมันอันเดียวกันเลยเอาแต่มากเขาว่าเนื้อดีเนื้อเน่าโลลงหม้อแกงหมดอยากให้มันมากๆผลที่สุดเลยทำให้แกงเสียรสพลาดท่าแกงทั้งหม้อเลยกลายเป็นพิษกินไม่ได้เอาเช่นเดียวกันคนคิดกรอบโกยทรับในทางผิดเพื่อจะให้เกิดความสุขสมบูรณ์ผลที่สุดก็ผิดหวัง นอกจากจะไม่ได้สุขสมบูรณ์แล้วยังจะเสียแม้แต่ความสุขพอดีพอร้ายที่มีอยู่เดิมนั้นด้วยได้กล่าวแล้วว่าตัวเราคนหนึ่งหนึ่งมีสิ่งที่จะกินความสุขอยู่2 อ, อย่างคือร่างกายกับจิตใจฉะนั้นลักษณะของความสุขสมบูรณ์แท้จะต้องเป็นความสุขที่ไม่เป็นภัยเกย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นถ้าเปรียบกับอาหารก็ต้องจากัดไว้ว่าปากก็ไม่พองท้องก็ไม่ปวดแต่นี่มันเป็นความสุข เราอาจจำลักษณะไว้ว่าสุขกายสบายใจเป็นสุขสมบูรณ์พระพุทธเจ้าศา ส, สดาผู้รู้แจ้งโลกทรงทราบความต้องการและจุดบกพร่องของผู้ครองเรือนอย่างถูกทั่วแล้วได้ทรงวางหลักความสมบูรณ์ไว้สี่หลักด้วยกันภาพนี้แสดงหลักความสุขสมบูรณ์ตามแบบพุทธวิธีหมายความว่าครอบครัวจะมีความสุขชนิดที่เรียกว่าสุขเต็มได้จะต้องมีสี่หลักนี้คือ มีทรัพย์จ่ายทรัพย์ไม่มีหนี้สินทำงานที่ไม่มีโทษรวมสี่หลักแต่ละหลักพระองค์ทรงวางข้อปฏิบัติกากับไว้ด้วยแสดงว่าข้อไหนมีเงื่อนไขอย่างไรซึ่งจะอธิบายต่อไปข้างหน้าตอนนี้เราชมหลักของท่านเสียก่อนพูดถึงน้ำหนักหลักสี่ข้อนี้ข้อใดสำคัญที่สุดพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ให้ด้วยท่านที่เป็นนักบาลีโปรดพิจารณาพระบาลีต่อไปนี้ อนะนองสุขขังยัตวาอัทโทอัติสุขขังสเรพุชังโพคังมัจโจอัทโทปัญญาวิปัสติวิปัสสมาโนชานาติอุโพพาเคสุเมทโซอนวัชชสุขขัดเซตังกะลังนาคติโซละิิงพระบาลีนี้แปลได้ความว่าคนมีปัญญารู้จักหลักความสุขสามข้อต้นในวงเล็บ คือสุขที่มีทรัพย์สุขที่จ่ายทรัพย์สุขที่ไม่มีหนี้แล้วจำต้องรู้ด้วยว่าสุขสมอย่างนั้นไม่เท่าเซี่ยวที่16ของสุขที่ได้จากงานไม่มีโทษหมายความว่าในหลักแห่งความสุขทั้ง4นี้หลักที่สําคัญมากถ้าแบ่งความสําคัญของหลักที่4ออกเป็น11ส่วนสามหลักข้างต้นนั้นรวมกันแล้วก็ยังไม่เท่าส่วนเดียวของหลักที่4ข้อเท็จจริง ค่อยพิจารณาต่อไป